วันนี้เป็นวันเสาร์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช 2,565 ้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใฝ่ธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำภารกิจทางด้านจิตใจภารกิจทางด้านจิตใจนี้พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับชาวพุทธไว้เป็นธุระเป็นหน้าที่ที่ชาวพุทธพูดที่ปรารถนา <c oughs> การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เพิกระทํากันเพราะเป็นธุรกิจที่ไม่มีธุรกิจอย่างอื่นที่สามารถมาทําหน้าที่แทนธุรกิจอันนี้ได้ธุรกิจที่เราทํากันทางโลก mm. เช่นเรามีงานมีการมีหน้าที่ต่างๆ mm. ก็เป็นธุรกิจทางด้านร่างกาย เพื่อร่างกายทำเพื่อเลี้ยงดูให้ร่างกายนี้มีปัจจัยสี่ไว้ดำรงชีพ<ม>ก็เป็นภารกิจที่สำคัญแต่ไม่สำคัญเท่ากับภารกิจทางด้านจิตใจ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับชาวพุทธเราเพราะภารกิจทางร่างกายนี้ ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆทางจิตใจได้สามารถกำจัดความทุกข์ทางร่างกายได้เช่นความทุกข์ที่เกิดจากการอดยาขาดแคลนในปัจจัยสี่ความทุกข์ยากเดือดร้อนเช่นเวลาที่มีน้ำท่วมอันนี้ ธุรกิจทางร่างกายก็พอที่จะมาเยียวยาความทุกข์ยากเดือดร้อนทางร่างกายได้แต่ความทุกข์ยากเดือดร้อนทางจิตใจนั้นไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าไม่มีการทำธุระทางด้านจิตใจ ดังนั้นเราจรึงจำเป็นที่จะต้องทำทุระทั้งสองส่วนให้สมบูรณ์ทุระทางร่างกายเราก็ทำกันแล้วพอเรามีเวลาว่าง <c oughs> จากการทำทุระทางร่างกายเราก็มาทำทุระทางจิตใจกันอย่าปล่อยให้จิตใจนี้ขาดการดูแล เพราะจิตใจนี้มีความสําคัญยิ่งกว่าร่างกายเพราะจิตใจนี้เป็นของที่ไม่มีวันตายไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับร่างกายที่จะต้องมีวันตายมีวันสิ้นสุดลงอายุของร่างกายโดยเฉลี่ยก็ไม่เกินร้อยปี เป็นส่วนมากหลังจากร้อยปีไปแล้วสิ่งต่างๆที่ได้ทำไว้เพื่อร่างกายมันก็หมดประโยชน์ไปหมดความสำคัญไปจะมีเงินทองเข้าของมากน้อยเพียงไรพอร่างกายตายไปแล้วทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ก็ทำประโยชน์อะไรให้กับร่างกายไม่ได้และทำประโยชน์ให้กับจิตใจไม่ได้เช่นเดียวกัน mm hmm. นี่คือธุระทางร่างกายมีขอบมีเขตมีวันสิ้นสุดลงไม่ว่าเราจะทำได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็มีวันสิ้นสุดลงทำจนเป็นมหาเศรษฐี หรือทำแล้วไม่ร่าไม่รวยพอถึงจุดจบของร่างกายมันก็มีผลเท่ากันแต่ธุระทางจิตใจนี้จะมีคุณมีประโยชน์ยาวนานกว่าธุรกิจธุระทางร่างกายเพราะว่าเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ยังสามารถรับประโยชน์จากปจากธุระที่พระพุทธเจ้าทรงให้เราชาวพุทธทำกันจากนั้นเราจึงควรที่จะมาให้ความสำคัญกับธุระทางใจมากกว่าธุระทางร่างกายเสียด้วยซ้ำไป แต่ในเบื้องต้นนี้เราอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นความสำคัญของธุระทางใจเราก็มาลองทำกันในช่วงวันหยุดการทำงานของเราดูไปก่อนดูว่าคุณค่าที่เราจะได้รับจากการทำธุระทางจิตใจนี้ มีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจเรามากน้อยเพียงไรแล้วพอเราได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการทำธุระทางจิตใจเราจะเห็นว่าเราได้รับประโยชน์มากกว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากทางร่างกายมันก็จะทำให้เรานั้นมีความ ยินดีที่จะเอาเวลามาทำประโยชน์ให้กับจิตใจเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนเอาเวลาทั้งหมดที่สามารถที่จะเอาได้มาทำประโยชน์ให้กับจิตใจส่วนประโยชน์ของทางร่างกายก็ทำเท่าที่จำเป็น โดยใช้หลักมักน้อยสันโดษในการดูแลร่างกายมากน้อยสันโดษในปัจจัยสี่มากน้อยสันโดษในอาหารการกินมากน้อยสันโดษในเครื่องนุ่งห่มมักน้อยสันโดษในที่อยู่อาศัยมากน้อยสันโดษใน เรื่องอยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บขอให้มีพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเพื่อรักษาให้ร่างกายไม่ตายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาให้หายได้ก็พอเพียงแล้วอย่าไปเสียเวลาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไป พราะประโยชน์ที่จะได้มันเท่ากันเลียงดูร่างกายโดยการใช้เงินใช้ทองมากๆกับการเลี้ยงดูร่างกายกับการใช้เงินใช้ทองน้อยนแต่พอเพียงต่อการดูแลร่างกายประโยชน์มันก็ได้เท่ากันคือสามารถทำให้ร่างกายนี้ มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตามอัตภาพจนกว่าจะถึงเวลาที่มันจะต้องสิ้นสุดลงดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะเสียเวลามากจนเกินไปในการดูแลเลี้งดูร่างกายของเราเพราะถ้าเราใช้เวลามากเวลาที่เราจะเอาไปใช้กับการดูแล ทำธุระทางใจมันก็จะมีน้อยและมันอาจจะไม่ทันกับเวลาถ้าเราให้เวลากับธุระทางใจน้อยชีวิตของเรานี่มันก็มีวันสิ่งสุดลงถ้าเราใช้ให้เวลาน้อยการทำประโยชน์ให้กับจิตใจก็จะทำได้ไม่มาก และไม่สาเร็จรู้เรื่องถ้าเวลาของชีวิตเรามันหมดลงคือชีวิตของเรานี้มันจะต้องสิ้นสุดลงแล้วถ้าเราเอาเวลาส่วนใหญ่ไปให้กับการเลี้ยงดูร่างกายเวลาที่เราจะเอามาดูแลจิตใจก็อาจจะมีไม่พอเพียงไม่พอที่จะทำให้ธุระทางจิตใจนี้สาเร็จรูร่วงไป ในภพนี้ชานี้ถ้าเป็นเช่นนั้นและเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็ยังต้องไปทำธุระทางด้านจิตใจต่อไปอีกในภพหน้าชาติหน้านี่คือเรื่องของการแบ่งเวลาให้กับการดูแลร่างกายกับการดูแลจิตใจควรจะ แบ่งเวลาให้เหมาะสมต่อความจำเป็นต่อความต้องการความจำเป็นของการดูแลร่างกายนี้นมีขอบมีเขตถ้าเราใช้หลักมากน้อยสันโดษนี้เราจะไม่ต้องเสียเวลามากดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระ <c oughs> พระภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้าทรงสอนให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุดกับการเลี้ยงดูร่างกายเรื่องอาหารก็ให้ใช้การบินธบาดออกบินธบาดวันละหนึ่งครั้งก็ได้อาหารมาพออยู่ได้แล้วอย่างมากการบินธบาดก็ชั่วโมงเดียวเรื่องทอี่อาสัยก็ให้อยู่ตามมีตามเกิดไป สมัยพระพุทธกาลนี้ยังไม่มีวัดไม่มีเสนาสนะไม่มีกุฏิท่านก็อยู่กันตามโคนไม้ปัจจัยสี่ของพระในยุคพระพุทธเจ้านี้มีการบินธบาลเป็นการเลี้ยงชีพเป็นการหาอาหารให้กับร่างกายการเลี้ยงชีพ ของพระภิกษุในยุคพระพุทธกาลนี้เลี้ยงชีพหาอาหารด้วยการบินทบาย ท, ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้อาจจะําเป็นเพิงจากกิ่งไม้ใบไม้พอหลบแดดหลบฝนได้ส่วนเครื่องนุ่งห่มคือผ้าจีวรก็ไปเก็บผ้า หอศพที่ริ้งไว้ในป่าช้า <Yeah. S 1> เรียกว่าผ้าบางสกุล mm hmm. หรือผ้าป่า mm hmm. เอามาซักมายอ้อมมาตัดมาเย็บ mm hmm. เป็นผ้านุ่งผ้าห่มผ้ากันหนาวสามผืนที่เรียกว่าผ้าไตาจีวรยุค mm hmm. นั้นไม่มีการทำผ้าสำเร็จรูปขายกันตามร้านค้า mm hmm. นัก บ, บวชนี้เป็นธรรมเนียมที่จะไปเก็บผ้าในป่าช้า เพราะว่ามันเป็นการเจริญมนานุสสติเป็นการเจริญอสุภะกรรมฐานไปในตัวด้วยเพราะเป็นธรรมที่สำคัญในการที่จะปกป้องรักษาจิตใจของพระภิกษุของนักบวชไม่ให้ถูกการมาราคะคุกคามเพราะถ้าใจถูกกรรมมาราคะคุกคามใจแล้ว จะทำให้อยู่ในสัมมณะเพศไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะการมาราคานี้จะต้องผลักดันให้จิตใจไปหาร่างกายที่สวยๆงามๆ ม, มาบรรเทาอารมณ์ <Yeah. S 1> ในเวลาไปเก็บผ้าไปพิจารณาผ้าในป่าช้าแต่ละครั้น <Yeah. S 1> ต้องไปแกะผ้าที่ห่อศพออกมา ก็จะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายมองเห็นความสิ้นสุดของร่างกายว่าร่างกายของคนทุกคนก็เป็นอย่างนี้เองเมื่อถึงเวลาที่มันหยุดลมหายใจมันก็ทำอะไรประโยชน์อะไรต่อไปไม่ได้ต่อจะให้ร่ำรวยขนาดไหนต่อจะให้มีความรู้ความฉลาดมากน้อยขนาดไหน ก็ไม่สามารถที่จะปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้ตายได้ไม่สามารถทำให้มันสวยมันงามเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่ได้มันก็ต้องเน่าเปื่อยไปตามสภาพเนนักบวชถึงนิยมใช้ผ้าบางสกุลกันในยุคสมัยพุทธกาล นี่คือเรื่องของการใช้เครื่องนุ่งห่มของของพระในยุคพุทธกาลท่านใช้ผ้าบางสกุลไปเก็บผ้าพอศพที่ทิ้งไว้ในปา่าช้ามาซักมาย้อนมาตัดมาเย็บกันเป็นผ้าสามผืนผ้าไตจจวอนนี่คือความอยู่แบบมากน้อยสันโดษ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากมายเหมือนกับผู้คลองเรือนคาวรวะผู้มีความพิธีพิถันในเรื่องปัจจัยสี่กันมากจนเกินเหตุเกินผลจนกลายเป็นกามฉันทะไปกลายเป็นนิวรนกายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาต่อการทำธุระ ทางด้านจิตใจนักบวชจึงต้องใช้วิธีการดำรงชีพแบบนักบวชนี่คือกิวรเครื่องนุง่งห่มผ้าบางสกุลได้ทั้งมรณ า, านุสติได้ทั้งอสุภะกรรมฐานอสุภะเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายทำให้การมราคา ที่มันคอยที่จะออกมาสร้างความรุ่มร้อนให้กับจิตใจนั้นดับระงับลงได้อย่างรวดเร็วมีประโยชน์ทั้งทางด้านจิตใจและทางประโยชน์ทางร่างกายในเรื่องของการใช้ผ้าบางสุกุลข้อที่สก็คือที่อยู่อาศัยเออมื่อกี้ได้พูดถึงแนละ้วอยู่ตามโคนไม้ ข้อที่สี่ก็คื อ, อยารักษาโรคสมัยก่อนก็รักษาตามแบบโบราณสมุนไพรใช้ยาดองดองด้วยน้ำปัสสาวะเอาผลไม้บางชนิดที่สามารถใช้เป็นยาได้เอามาดองกับปัสสาวะน้ำปัสสาวะไม่ต้องเสียเวลาไปหาน้ำไปหาอะไรมา มาต้องไม่ต้องหาเกลืออะไรมาเพราะน้ำปัสสาวะนี้ก็เป็นน้ำเกลือดีๆนี่สามารถเอามาใช้ดองผลไม้แล้วดื่มเป็นยาได้เวลามีโครคภัยไข้เจ็บนี่คือการอยู่แบบมากน้อยสันโดษของผู้ที่ต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไป ก็เป็นการอยู่แบบเรียบง่ายแบบสมถะแบบที่ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องใช้เวลามากแม้แม้จนถึงปัจจุบันนี้ทุกครั้งที่มีการบวชพระใหม่พระอุปชานี้มีหน้าที่ต้องสอนเรื่องปัจจัยสี่ของพระสอนเรื่องการบินตบานเป็นวัดสอนเรื่องการอยู่โคนไม้เป็นวัด สอนเรื่องการใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดและสอนเรื่องการดื่มยาดองด้วยน้ำมูดเป็นวัดสอนมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้หลืมแต่การปฏิบัตินี้มักจะไม่ได้เป็นไป ต, ตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งให้สอนและได้ทรงปฏิบัติมาสมัยนี้ พระทุกรูปที่มาบวชแทบจะไม่รู้เรื่องการอยู่แบบนักน้อยสันโดษของพระภิกษุว่าอยู่อย่างไรเลยเพราะมาบวชก็มีผู้ที่อยากจะทําบุญนี้มาคอยนําอาหารคาวหวานมาเลี้ยงถึงที่วัดเลยแทบจะไม่ต้องออกบิณฑบาตกันแล้วก็ผ้าก็เป็นพระที่ตัดเย็บมาจากร้านครบชุด เป็นผ้าใหม่เอี่ยมที่อยู่อาศัยก็มีกุติวิหารต่างๆให้อยู่กันยาก็มีหลากหลายยาที่ญาติโยมซื้อมาถวายยาที่ไปสามารถรับจากโรงพยาบาลได้ฉนั้นการกินอยู่แบบพระสมัยนี้จึงต่างจากยุคของพระพุทธเจ้ากันเป็นเหมือนฟ้ากับดินเลย อันนี้แหละเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้พระถ้ายังติดอยู่กับความสะดวกสบายของทางด้านปัจจัยสี่ก็จะไม่สามารถที่จะออกไปทำภาระทำธุระทางด้านจิตใจได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ อยู่กันในบ้านในเมืองเป็นวัดบ้านวัดเมืองกันแล้วก็บินธบานี้บางทีก็แทบจะไม่ค่อยได้บินธบาทกันเพราะมีญาติโยมมักจะนาอาหารไปถวายถึงที่วัดหรือไม่เช่นั้นก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านติจทางระบินธบานี้จะไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่ ผ้าก็ใช้ผ้ากันอย่างผ้าไหมเอี่ยมกุฏิก็อยู่อย่างสุขอย่างสบาย mm hmm. ก็เลยทำให้ติดความสุขทางด้านปัจจัยสี่แล้วก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะไปทำภาระทางด้านจิตใจได้อย่างสมบูรณ์ทำได้ก็ทำเพียงครึ่งเดียวภาระทางศาสนา ลึทุระทางศาสนานี้มีอยู่สองสองชิ้นด้วยกันชิ้นแรกเรียกว่าคันถาทุระชิ้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาทุระทุระอันแรกที่เรียกว่าคันถาทุระนี้แปลว่าการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เช่ น, นสอนให้อยู่แบบมักน้อยสันโดษสอนให้ใช้ การบินทบาศบงใช้ผ้าบังสกุลอยู่โคนไม้และใช้ยาดองน้ำมูดเป็นปัจจัยสี่สำหรับดำรงชีพอันนี้ก็ได้ศึกษากันแต่ไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติที่เป็นธุระขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาธุระ ให้เรียนรู้ความสําคัญของความมักน้อยสันโดษในปัจจัยในปัจจัยสี่ว่ามีผลมีคุณมีประโยชน์ต่อการกําจัดความทุกข์ทางด้านจิตใจอย่างไรถ้าศึกษาเฉยๆแล้วไม่นําเอาไปปฏิบัตินี้จะไม่เห็นคุณค่าของการอยู่แบบมักน้อยสันโดษในปัจจัยสี่เพราะว่าถ้าทําแล้วจึงจะเห็นว่า มันทำให้เรานี้มีเวลาที่จะให้กับการปฏิบัติธรรมได้มากเพราะอยู่แบบมากงน้อยสันโดษนี่ใช้เวลาไม่มากวันหนึ่งก็แค่บินทบทส่วนผ้านี่ก็มีเยอะแยะไปหมดมีไม่ต้องไปหาแบบผ้าป่าชาแล้วใช้ผ้าเก่าของผ้าที่เขาสึกไปก็ได้ ไม่จำเป็นถ้าไม่มีใครถวายผ้าก็มีผ้าเยอะแยะมีคนมาบวชกันชั่วคราวเยอะแยะผ้าบวชแล้วก็กมก็ไม่ได้เอากลับบ้านกันก็ให้วัดไปผ้าที่ไม่มีใครถวายผ้าก็สามารถใช้ผ้าเก่าได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินหาทองเพื่อไปซื้อผ้ามาที่อยู่อาศัยถ้าอยู่ดางคนไม้ได้ก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ยารักษาโรคถ้าดื่มยานองน้ำมูกได้ก็รักษายาชนิดไหนก็ได้ตามมีทางเกิดได้ก็จะไม่ต้องเสียเวลามากกับการที่จะต้องดูแลเรื่องของร่างกายก็จะทำให้มีเวลาที่จะนำมามาดูแลทางด้านจิตใจได้มากการศึกษานี้เป็นการเพียง ให้รู้แนวทางของการปฏิบัติทางด้านจิตใจเกี่ยวกับการเรื่องการกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้วิธีที่ถูกต้องจะไม่รู้วิธีการอยู่แบบมากน้อยสันโดษของนักบวชว่าคนอยู่อย่างไร แล้วก็มีอีกหลายอย่างด้วยกันที่จาเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะได้ <c oughs> ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลที่ปรารถนาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆ <c oughs> การศึกษานี้ถ้าเปรียบเทียบ <c oughs> ก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่เวลาที่เราจะเดินทางไปที่เราไม่เคยไป มาก่อนเราจะไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทิศ ต, ตะวันออกหรือทิศตะวันตกเราจึงต้องเปิดดูแผนที่ว่าจากจุดที่เราอยู่ตรงนี้เราจะไปจุดหมายที่นั่นจะต้องไปทางไหนจะต้องใช้เส้นทางอะไรจะต้องศึกษาก่อนเพราะถ้าศึกษาแล้วมันก็จะได้ไม่เสียเวลาเวลาออกเดินทาง ถ้าไม่ศึกษาแล้วก็ไปแบบไม่รู้ต้นรู้ปลายไม่รู้เหนือรู้ใต้ก็จะต้องลองผิดลองถูกอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้ก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาดูแผนที่ก่อนดูว่าการที่เราจะไปสู่จุดที่เราต้องการนั้นไปได้อย่างไร ไปทางเหนือหรือไปทางใต้ไปทางตะวันออกหรือไปทางตะวันตกใช้รถยนต์หรือใช้รถไฟหรือใช้เครื่องบินหรือใช้เรือสุดแท้แต่ต้องศึกษาก่อนถ้าศึกษาแล้วเวลาไปออกเดินทางมันก็จะไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนนี่คือความหมายของการศึกษาที่เรียกว่าคันธุระเราต้องศึกษาทำ ที่จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติถ้าเราต้องการกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจนี้ต้องทำอย่างไรบ้างเราก็ต้องศึกษาด้วยการอ่านหนังสือหรือด้วยการฟังเทศฟังธรรมการอ่านหนังสือก็มีหลายรูปแบบธรรมะที่สอนก็มีหลายหลายระดับ หลายเรื่องหลายราวด้วยกันซึ่งอาจมันจะอาจจะมากเกินความจำเป็นความต้องการของเราก็ได้เหมือนกับเราไปซื้อเสื้อผ้าในร้านนี่มีเสื้อผ้าเยอะแยะหลากหลายชนิดต่างๆแต่เราต้องการชนิดนั้นเรารู้ว่าเราต้องการชนิดไหนเราก็มุ่งไปหาดูเสื้อผ้าชนิดนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะต้องไปดูเสื้อผ้าชนิดอื่น ที่เราไม่ต้องการธรรมะของพระเจ้าก็มีหลากหลายด้วยกันมีคุณมีประโยชน์ทั้งนั้นแต่แต่มันอาจจะมีมากมีน้อยต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติถ้าต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้<ม>ก็เอาแต่เรื่องที่จะเอามาจําเป็นต่อการกําจัดความทุกข์ก็พอ เรื่องอื่นที่ไม่สำคัญก็ไม่ต้องรู้ก็ได้อย่างที่เรื่องที่ต้องรู้เรื่องแรกก็อย่างที่ได้พูดถึงคือเรื่องของความมากน้อยสันโดษในปัจจัยสี่ถ้าเราอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากขึ้นเราก็ต้องพยายามอยู่แบบมากน้อยสันโดษอย่าเสียเวลาไปกับการอยู่แบบรู้ลา อยู่แบบเศรษฐีอยู่แบบพระราชามาหากษัตริย์อันนี้มันจะต้องใช้เงินทองมากเมื่อต้องใช้เงินทองมากก็ต้องหาเงินทองต้องเอาเวลาไปหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะได้อยู่แบบหรูราอยู่แบบราชาอยู่แบบเศรษฐีอันนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากการเลี้ยงดูร่างกายเท่ากัน อยู่แบบราชาหรืออยู่แบบขอทานก็ได้ประโยชน์ทางร่างกายเท่ากันร่างกายก็คืออยู่ได้ไม่ตายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เวลาที่ต้องเสียไปให้กับการดูแลนี้มันต่างกันอย่างฟ้ากับดินเป็นเศรษฐีเป็นราชานี้ต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันทั้งคืนให้กับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอามาใช้ ในการที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายแบบหรูหราแต่แบบขอทานนี่สบายมากนั่งอยู่ข้างถนนเดี๋ยวก็ได้ละเดี๋ยวก็ได้เงินไปซื้อกับข้าวซื้ออาหารมากินก็จบละความจริงอยู่แบบขอทานนี่สบายกว่าอยู่แบบราชาอยู่แบบเศรษฐีคือไม่ต้องวุ่นวายกับ ก, บการหาเงินหาทอง ไม่ต้องสร้างความทุกข์ให้กับใจแทนที่จะมาคอยกำจัดความทุกข์ให้กับใจเรากลับมาสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัว<ม>เพราะการทาหากินหาเงินหาทองนี้มันย่อมสร้างความเครียดเพราะมีเหตุมีปัจจัยหลากหลายที่ไม่แน่นอนที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับได้ตลอดเวลา ทำให้แผนงานของการหาเงินหาทองของเรานี้เกิดมีปัญหาต่างๆขึ้นมาเกิดมีอุปสรรคต่างๆขึ้นมาทาให้ต้องคําเครียดกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายซึ่งมันความสุขกับความทุกข์ที่ได้มามันไม่คุ้มกันความสุขทางร่างกายก็เพียงนิ ด, นดเดียว แต่ความทุกข์ทางร่างใจทางจิตใจนี้มันมหาศาลบางทีถึงกับนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับมีอาหารมีอาหารวิเศษเยอะแยะไปหมดแต่กินไม่ลงเพราะใจเครียดกับธุรกิจต่างๆนอนหลับบนเตียงอนันหรูหราในห้องในห้องที่มโหลารสวยงามแต่กับนอนไม่หลับเพราะใจไปเครียดกับ ภารกิจการงานต่างๆนี่แหละคือถ้าอยู่แบบรูหราอยู่แบบฟุ่มเฟือยอยู่แบบฟุ่มเฟือเหอ่อเหอมันจะสวนทางกับ <c oughs> ความต้องการของเราทางด้านจิตใจความต้องการของเราทางด้านจิตใจก็คือเราต้องการลดความทุกข์ให้น้อยลงและกำจัดความทุกข์ให้มันหมดสิ้นไป ให้ได้เร็วที่สุดได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเวลาของเรานี่มันไม่แน่นอนว่าชีวิตของเรานี้จะอยู่ไปได้นานสักเท่าไหร่และโอกาสอันอันเลิศอันประเสิที่เรามีในพบนิชาินี้เป็นโอกาสที่หายากมากที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่มีแผนที่บอกทางของการ นำพาเราให้หลุดออกจากกองทุกขต่างๆได้ถ้าตายไปก่อนถ้าตายไปแล้วกลับมาชาติหน้าอาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้ตอนนั้นก็เหมือนกับเดินทางแบบไม่มีแผนที่ <c oughs> ก็ถ้าไม่มีแผนที่เดินทางไปรับประกรันได้ไม่มีวันที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้อันนี้คือสิ่งที่ <c oughs> ผู้ที่ปรารถนา การพ้นจากความทุกข์ต่างๆต้องเอามาพิจารณาและเอามาศึกษาและเอามาปฏิบัติเนะี่ยทําไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรามีความมากน้อยสันโดษกันเพราะให้เราจะได้มีเวลา <c oughs> มีเวลาที่เราจะได้เอามาทับทุระทางด้านจิตใจกันนั่นเองมากําจัดความทุกข์ทางใจถ้าเราใช้ความมากน้อยสันโดสนี้ การกินการอยู่ของเรานีจะอยู่แบบเรียบง่ายการจําเป็นที่จะต้องหาเงินทองก็ไม่มากความเพียดจากการหาเงินทองก็ไม่มากอันนี้เป็นการลดความทุกข์ให้กับเราโดยอัตโนมัติไปด้วยแล้วก็จะมีเวลาให้กับการได้มาปฏิบัติทำธุระทางด้านจิตใจให้มากขึ้นทำธุระคันธุระทำวิปัสสนาธุระ การจัดธุระก็ทำให้เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ศึกษาธรรมะถ้าเราต้องการที่จะพ้นทุกจากการปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมจากผู้ที่ได้พ้นทุกจากผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วไปฟังเทศฟังธรรมจากพระสุปฏิปโนทั้งหลายศึกษาจากท่านก็ต้องคอยเลือกเหมือนกันเพราะบางทีท่านก็สอนธรรมะหลายระดับด้วยกันระดับของ ผู้ที่ยังไม่ต้องการที่จะไปถึงขั้นนั้นท่านก็สอนอีกระดับหนึ่งเราก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าทำขั้นนี้ไม่จำเป็นกับเราำทำทขั้นไหนที่จำเป็นกับเราเราก็ศึกษาทำขั้นนั้นไปส่วนทำทำที่ไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องเรียนรู้ก็ได้ <c oughs> น, นี่ <c oughs> คือการศึกษาอย่าไปคิดว่าเราต้องศึกษาพระไตรปิฎกทั้งคมพี มีแปดหมื่นสี่พันธรรมขันนี่อถ้าก่อนจะเรียนจบพระตายไปโดก็ตายพอดีเรียนจบก็จะจำไม่ได้หมดเรียนไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมพอไปเรียนบทใหม่บทเก่าที่ได้เรียนมาก็จะลืมะงั้นขอให้เราพุ่งไปหาธรรมที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติก็พออย่างที่วันนี้ก็ได้พูดเนี่ย ก็ทอแรกก็มักน้อยสันโดษในปัจจัยสี่เป็นธรรมที่สำคัญต่อการที่จะเอื้อต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราสามารถอยู่แบบมักน้อยสันโดษได้เราอาจจะไม่ต้องทำธุรกิจใหญ่โตมาโหราหรือถ้าเราคิดว่าเรา อยู่แบบมักงน้อยสันโดษได้อย่างจริงจังเราก็า จ, จะไปอยู่ตามวัดก็ได้ไปอยู่เป็นนักบวชก็ได้เพราะถ้าอยู่ที่วัดเรื่องปัจจัยสี่ก็มีพร้อมบริบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องไปเสียเวลาให้กับการไปทำงานทำการเลยถ้าไปอยู่วัดได้นี่ก็ จ, จะสามารถที่จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมให้กับการศึกษาธรรมได้อย่างเต็มที่ ศึกษาธรรมจากเจ้าสำนักฟังเทศฟังธรรมจากเจ้าอาวาสผู้ที่ได้สำเร็จผู้ที่ได้สำเร็จภาวกิจของท่านแล้วท่านก็จะรู้ว่าธรรมะอันไหนสำคัญธรรมะอันไหนไม่สำคัญท่านก็จะเลือกเอาธรรมะที่สำคัญสำคัญมาสอนให้กับผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ อันนี้สิ่งถ้าถ้าทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องของความมักน้อยสันโดษได้ได้บรรลุเป้าหมายของความมักน้อยสันโดษในปัจจัยสี่ก็คือจะทําให้เหล่านี้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการทำหากินอีกต่อไปเราจะได้มีเวลาศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าอยู่ในวัดที่มีการสอน นั่นมีการปฏิบัติท่านจะไม่มีภารกิจอย่างอื่นจะให้มีแต่เรื่องการปฏิบัติเรื่องการเรียนธรรมะที่สําคัญที่จําเป็นเท่านั้นจึงมักจะมีผู้สําเร็จมีผู้บรรลุธรรมกันตามวัดปฏิบัติกันเป็นส่วนใหญ่วัดที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัตินี้หรือมีการศึกษาแต่ไม่มีการปฏิบัตินี้ จะไม่เคยพบเลยว่ามีการบรรลุธรรมขั้นต่างๆกัน mm hmm. ในบรรดาพระอาริยสง์สาวกทั้งหลายในยุคปัจจุบนันนี้ส่วนใหญ่เป็นจะเป็นเป็นพระป่ากันทั้งนั้นเป็นพระที่อยู่ตามป่าตามเขาที่ปฏิบัติธรรมตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือมักน้อยสันโดษ mm hmm. เป็นธรรมขั้นต้นขั้นแรก ถ้ารักน้อยสันโดษได้แล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาได้ถ้ายังไม่นักนักน้อยสันโดษนี่ยังต้องอยู่ตามวัดบ้านวัดเมืองอยู่เพราะว่ายังติดอยู่กับความสุขทางปัจจัยสี่อยู่ mm hmm. ก็จะไม่มีเวลาที่จะได้ไปปลีกวิเวกไปปฏิบัติเพราะธรรมที่ผู้ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้นอกจาก ความบ้างน้อยสันโดษในปัจจัยสี่แล้วสิ่งที่จะต้องทําต่อมาก็คือการไม่สังคมกันการไม่เข้าสังคมเพราะการเข้าสังคมนี้ก็จะเป็นทําให้เสียเวลาเอาเวลาเข้าสังคมไปงานนั้นงานนี้<ม>ไปสังสรรค์กันไปคุกคีกัน<ม>ก็จะไม่มีเวลาที่จะเอาเวลาจะเอาเวลาของการศึกษาของการปฏิบัติไปน นี่ก็เป็นธรรมที่เราต้องศึกษาและต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ก็คือการไม่สังคมไม่ศึกไม่คลุกขี้กันอย่าไปยุ่งกับงานต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับงานที่จะทําให้จิตใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่ามันจะเสียเวลาแล้วสองมันเป็นการผูกใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราติดกับสังคมติดกับงานของสังคมนี้ต้องออกงานนั่นต้องออกงานนี้อันนี้มันเป็นการติดเมื่อมันติดแล้วมันก็จะทำให้เราต้องกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆตายจากภพนี้ไปชาติหน้าก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้กลับมาเข้าสังคมใหม่เข้างานนั่นเข้างานนี้ทำนู่นทำนี่กันหาความร่าเริงบันเทิงใจจากการเข้าสังคมกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและเข้าใจว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ที่ต้องการที่จะไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ น, นี้คือข้อที่ <c oughs> ตามมาอย่าไปคุกคลีกันให้ออกจากสังคมแล้วก็ไปปีกวิเวกไปหาสถานที่สงบเช่นตามวัดป่าวัดเขาต่างๆ เป็นที่สงบสงัดจากรูปเสียงกดลิ่นรสผลพระที่จะมาคอยกระตุ้นการมาฉันทะคือความยินดีในรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆถ้าเราไม่ไปปีกไม่เวกเราอยู่อยู่ตามบ้านตามเมืองนี้เราจะสัมผัสกับรูปเสียงกดลิ่นรสผลพระแทบตลอดเวลามันมาทั้งหลายทางด้วยกันทางทีวีทางวิทยุทางมือถือทางหนังสือพิมพ์ ขับล่ออกไปข้างนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสไรต่างๆมาคอยกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเกิดอารมณ์เหล่านี้แล้วมันก็จะไปทำใจให้สงบได้ยาก <c oughs> ทำไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะแสวงหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสแทนนั่นเองพอมันได้สัมผัสแล้วมันก็อยากอยากจะเสพอยากจะสัมผัสไปนานๆ การที่จะไปทำใจให้สงบให้ดับความทุกข์ชั่วคราวก็จะทำไม่ได้ฉะนั้นต้องไปหาที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆ mm hmm. อย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปอยู่ตามบ้านตามเมือง mm hmm. ไปอยู่ที่มันไม่มีแสงสีเสียง mm hmm. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ mm hmm. ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ได้ยิ่งดีไม่มีไฟฟ้า mm hmm. ยุสมัยหลวงตาวัดป่าบ้านตากยุคแรกๆนี้ท่านไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาท่านห้ามไม่ให้เอาวิทยุโทรทัศน์เข้าวัดหนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้เข้าไม่ให้รับรู้เรื่องราวต่างๆของทางโลกเพราะมันจะมากระตุนะต้นกระตุ้นกิเลส ต, ตัณหาให้เกิดขึ้นทําให้ยากต่อการที่จะควบคุมจิตใจให้สงบนั่นเอง ท่านถึงต้องห้ามไม่ให้มีรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆถึงแม้ไปอยู่ในวัดป่าแล้วก็ตามก็ยังต้องห้ามไม่ให้เอาของที่เป็นสื่อที่จะดึงรูปเสียงกลิ่นลดตามเข้ามาได้ <Yeah. S 1> ผู้ที่ต้องการที่จะไปบาเพ็ญไปปปีวกเว้กจริงๆนี้ mm hmm. ควรจะอย่าเอามือถือไปหรือปิดมือถือถ้าจะใช้ก็ใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินที่จำเป็นเท่านั้น เพราะว่าถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะยาวพอเห็นนู่นเห็นนี่แล้วมันติดมันก็อยากจะดูที่นั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปเวลาที่เราจะได้เอามาใช้กับการทำใจให้สงบมันก็ไม่มีไปไปปีกวิเวกก็ไม่เกิดประโยชน์ก็อยู่แบบนั้งน้อยทันโดดแล้วไม่คุก ค, คีแล้วไม่สังคมแล้วไปปีกวิเวกแล้วแต่ก็ยังดันไปหารูปเสียงกลิ่นลดอยู่ ด้วยการเอามือถือนี่ไปพอเปิดมือถือปั๊บนี่บางทีกว่ า, วาจะปิดลงได้นี่อาจจะหมดไปหลายชั่วโมงนะแทนที่จะเอาเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะหมดไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ศึกษาแนวทางของการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้จำเป็นที่จะต้องมาทำ ใจต้องเข้มแข็งถ้าจะมาทางนี้แล้วอย่าอ้อยอิงอย่าไปอ่อนกับความอยากทางรูปเสียงกลิ่นนนมันจะมาลอกมันจะมาหลอกมาล่อเราด้วยวิธีการต่างๆให้เราคิดว่าเราเป็นคนไม่ไมเห็นแก่เพื่อนแก่พ้องไม่เห็นกับพี่กับน้องรักตัวคนเดียวอะไรไปไม่สนใจไม่ยวแลอะไร ร้อยพันประการมันจะมาคอยหลอกมาลอยลอ่ให้เรากลับไปหาพวกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้ได้เราต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องของอกับดักของกิเลส ข, ของกามฉันทะทั้งนั้นที่จะมาเป็นนิวรณ์มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจสงบให้จิตใจพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราต้องเข้มแข็งถ้าเราจะมาทางนี้ อย่าไปอ่อนแอกับสิ่งยั่วยวนต่างๆที่มันจะมาคอยยั่วยวนใจเราอยู่เรื่อยๆต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องนึกถึงผู้ที่ได้หลุดพ้นแล้วว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรพระพุทธเจ้านี่ท่านเคยอยู่กับชีวิตแบบหรูหราแบบฟุ่มเฟือยแบบสําราญแต่ท่านก็ยังดิ้นออกจากชีวิตแบบนั้นได้ พราะท่านรู้ว่าชีวิตแบบนั้นเป็นชีวิตเป็นกับดักของของกิลเลสเป็นกับดักของความทุกข์เป็นกับดักของการเวียนว่าตายเกิดถ้าติดอยู่กับชีวิตที่รูหลาที่ฟุ่มเฟือยมันก็จะทําให้ไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติได้และมันจะทําให้ <c oughs> ตายไปแล้วก็ต้องกลับมาหามันอีกกลับมาแล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์อีก เพราะว่าเมื่อมีร่างกายมันก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพลาคจากกาันเองมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปในทางด้านจิตใจได้เฉนั้นผู้ปฏิบัติที่ต้องการความเดก้าวหน้าทางด้านจิตใจนี้ต้องเป็นคนที่มีความมุมา่นนะมีความตั้งใจและก็มีตัวอย่างที่ดี เช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสาวกของพระพุทธเจ้านี้ก็มีคนที่ร่ำรวยกันเยอะเป็นพระราษฎ เ, เป็นเจ้าชายกันก็หลายลูกญาติของพระพุทธเจ้าห้าลูปเป็นเจ้าชายก็หลังจากที่เห็นพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็เกิดความศรัท ธ, ธาอยากจะหลุดพ้นมากก็อุตส่าห์ขอบวชพร้อมกันเลย คนที่เคยเป็นมหาเศรษฐีมาบวชก็มีเราต้องดูตัวอย่างของคนเหล่านี้ว่าทาไมเขาถึงทิ้งความสุขของความของความเป็นเศรษฐีของความเป็นเจ้าชายได้เพราะเขาเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วก็จะไม่ได้ให้ความสุขแก่ทางจิตใจเป็นแต่กับกายเป็นการ สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเขาถึงกล้าที่จะสละความนั่งรวยสละความเป็นเจ้าชายเพื่อมาอยู่แบบขอทานอยู่แบบมากน้อยสันโดษเพื่อที่จะได้ปฏิบัติเพื่อที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเขาแล้วเขาก็ทำกันได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์กันเป็นส่วนใหญ่ ผู้ที่ได้ออกมาบวชกันพระญาติของพระพุทธเจ้านี้แทบทุกคนเลยพอได้บวชแล้วก็ได้บรรลุ ก, กันแม้แต่พระราหุลที่เป็นลูกชายของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุ ก, กันถ้าได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วโอกาสที่จะไม่บรรลุนี่มีน้อยมากนอกจากถ้าเป็นคนเถอะดือ้อย่างนายฉันนะผู้ที่รับใช้พระพุทธเจ้ามาโดยตลอดนี้ เธอเป็นคนเหือดือ้อหัวดือ้อว่านอนสอนยากสั่งสอนอย่างไรก็ไม่เชื่อเลยเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่คนอื่นที่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าตามตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี่ <c oughs> มังจะหลุดพ้นกันทั้งนั้น <c oughs> นี่คือตัวอย่างที่ดีที่เราควรที่จะเอามาศึกษา เอามาสอนใจเราว่าเป็นท่านเหล่านี้ท่านสุขสบายมากกว่าเรามาก่อนแล้วท่านมาอยู่แบบทุกข์ยากลำบากนี้ท่านยังอยู่ได้เลยแล้วเราเป็นใครทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ <c oughs> เราต้องคิดอย่างนี้เวลาที่เรามีความท้อแท้ไม่มีความที่อยากจะสู้ต่อไปอยากจะถอยกลับไปอยู่แบบคารวะผู้คลองเรือน เราก็ต้องนึกถึงผลที่จะเกิดจากการอยู่แบบผู้คลรวาผู้ครองเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะต้องมาทุกกับการทามาหากินทุกกับคนนั้นทุกกับคนนี้ทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้ทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายทุกกับการพลาดพาจากคนที่เราลักคนที่เราเขารบหรือคนที่เราชอบอันนี้ต้องมองดูผล ที่จะตามมาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งถ้าไปทางที่พูะเจ้าทรงดำเนินไปก็จะมีแต่เรื่องของการดุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นเป็นเป็นผลที่จะรออยู่ข้างหน้าไปแล้วจะมีแต่บรมมสุขจิตใจนี้จะปลอดภัยจากความทุกข์มีแต่บรมมสุขอย่างเศรษฐีท่านหนึ่งหลังจากที่ได้มาบวชแล้วได้บรรลุ จิตใจของท่านก็มีแต่ความสุขท่านก็อดที่จะลำพึงลำพันไม่ได้เวลาท่านเดินไปไหนมาไหนท่านก็ลำพึงลำพันว่าสุขหนอสุขหนอ mm hmm. จนกระทั่งทําทให้ภิกษุที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนี้ไม่เข้าใจว่าท่านเพอ้อเจอรหรือเปล่าขาดสติหรือเปล่าจึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ สอบถามดูว่าเป็นอย่างไรพอตะจาก็เรียกมาสอบถามดูมหาเศรษฐีคนนี้ก็ตอบว่าตอนที่ผมไม่ได้บวชนี่ผมมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะซื้ออะไรก็ได้จะไปที่ไหนก็ได้ต้องการอะไรจะทําอะไรนี่ผมทําได้แต่กับผมกลับไม่ได้มีความสุขเหมือนกับที่ผมได้จากการที่ได้มาบวชได้มาปฏิบัติจนกระทั่ง กำจัดความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจให้หมดไปเพราะหลังจากนั้นแล้วมันมีแต่ความสุขเพียงเดียวตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงเดินยืนนั่งนอนนี่มันมีแต่ความสุขมันจึงทําให้ผมนี่อดที่จะรำพึงําพันออกมาไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอเมื่อพระพุทธเจ้าได้ไดคําตอบได้ยินคําตอบก็บอกว่าเธอไม่ได้เสียสติแต่เป็นคนที่มีสติฉัมปะชัญยะความบริบูรณ์ มีความสุขที่แท้จริง mm hmm. ก็สอนพระภิกษุที่ไม่เข้าใจให้ทราบ mm hmm. ถึงผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามคําสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการอยู่แบบมากน้อยสันโดษแทนที่จะอยู่แบบเศรษฐีมหาราชาก็อยู่แบบขอทานกัน mm hmm. แล้วก็แทนที่จะเข้าสังคมกันก็แยกกันออกไป ไม่คลุกคลีกันต่างฝ่ายต่างปฏิบัติกันใครมีหน้าที่เดินจงกรมนั่งสมาธิก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปใครมีหน้าที่พิจารณาปัญญาก็พิจารณาไปไม่ให้เข้ามาคลุกคลีกันไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันต่างคนต่างอยู่กันไปตามหน้าที่ของตนเรียกว่าไม่คลุกคลีกันไม่สังคมกันแล้วก็ไปปีกวิเวกหาที่สงบสงดัดอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับ รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ว่าจะมาในทางด้านไหนก็ตามอย่าไปสนใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นทางสู่การหลุดพ้นแต่เป็นทางสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าลองเราได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะแล้วมันก็จะเป็นดูดตัวดูดให้เรากลับมาเกิดในกามมาพบอยู่เรื่อยๆกามาพบก็คือพบของผู้ที่เสพกรรมนี่เองเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะ สบเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอตายไปความอิ่มความพอยังไม่เกิดยังหิวยังอยากกลับรูปเสียงกลิ่นรสผดตะไครอีกก็จะกลับมาเกิดกลับมามีร่างกายอีกเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดตะไอีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจึงต้องกลับมาพบกับความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตายของการพักทากจากกันอยู่ อย่างต่อเนื่องนี่คือโทษของกรรมของกรรมคุณหา้ารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ผู้ปฏิบัติต้องพยายามหนีให้ห่างไกลอย่าไปอยู่ใกล้มันมันเหมือนกองไฟกองไฟนี่มันอันตรายถ้าเราเห็นมีกองไฟนี่เราจะไม่เข้าใกล้นะพอมีไฟลูกที่ไหนนี่ไม่มีใครวิ่งเข้าหากองไฟมีแต่จะวิ่งออกวิ่งหนีจากกองไฟเพราะไม่รู้ว่ามันจะ ลามปามหรือระเบิดขึ้นมาหรือเปล่าจะสร้างพิษสร้างภัยให้กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่งั้นขอให้พวกเรามองถึงการมคุณห้ารูปเสียงกลิ่นลดผลทพะนี้ว่าเป็นเหมือนกองไฟอยังที่พระเจ้าทรงไปแสดงธรรมสอนพวกที่บูชาไฟพวกนี้เขาบูชาไฟเขาคิดว่าไฟนี้เป็นทางสู่การหลุดพ้นของความทุกข์ทั้งหลาย ไฟจะเผาผลาญความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปเพราะเจ้าก็เลยมาแสดงธรรมว่าสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟไม่ใช่ไฟที่เราเห็นกันสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟที่จะมาเผาจิตใจของพวกเราก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทปะนี่เองรูปเป็นไฟเสียงเป็นไฟตาหูจมูกนิ้วกายที่ใช้ในการสัมผัสก็เป็นไฟพอเวลารูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันก็ไปเกิดไฟขึ้นมาในใจนั่นเองไฟของราคะไฟของโทสะไฟของโมหะเนี่ยไอไฟตัวนี้แหละที่เป็นสร้างความทุกข์ให้กับใจไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะจำเป็นที่จะต้องใช้น้ําแห่งธรรมคือสติปัญญาให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ เป็นไฟเป็นอันตรายต่อจิตใจอย่าไปเสพอย่าไปสัมผัสมันอย่าไปสนใจอย่าไปยึดอย่าไปติดมันเพราะถ้าไปยึดไปติดก็จะเอามันเข้ามาในใจพอเข้ามาในใจแล้วมันก็จะกลายเป็นไฟมันจะไปกระตุ้นไฟแห่งราคะให้เกิดขึ้นไฟแห่งโทสะให้เกิดขึ้นไฟแห่งโมหะให้เกิดขึ้นทาให้จิตใจนี้ต้องดิ้นอนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่าย หรือไม่เชนั้นก็ทำให้ถึงกับซึมเศร้ากลายเป็นโรคซึมเศร้าไปทำให้เป็นโรคที่จะทำให้ไม่อยากจะอยู่ต่อไปได้ทุกจนกระทั่งไม่อยากจะอยู่ได้นี่แหละคือภัยของรูปเสียงกลภภิ่นรสผลิภัณ์หรือการมคุณห้านี่เป็นเพศภัยที่อันตรายอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัตินี้จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังอย่าเข้าใกล้ ถึงต้องมีการปรีกวิเวกไปหาที่อยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธาต่างๆเช่นอยู่ตามป่าตามเขา <Yeah. S 1> อันนี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธาที่มีในป่าในเขานี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะมันเป็นของธรรมชาติรูปของต้นไม้รูปของภูเขารูปของแม่น้ำลำทารนี้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยเห็นแล้วไม่ไม่เกิดราคะไม่เกิด โทสะไม่เกิดโมหะไม่เหมือนกับรูปของคนรูปของบ้านของเมืองรูปของสินค้าต่างๆของพวกนี้พอเห็นแล้วเกิดความโลภขึ้นมาเกิดลาคะขึ้นม า, ท, าทันทีแล้วพอไม่ได้ก็เกิดโทสะขึ้นม า, ท, าทันทีอันนี้จึงต้องเห็นพิษเห็นภัยของการที่เราอยู่คุกคีอยู่ในบ้านในเมืองกันอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรส ต้องเห็นภัยกับเพต้องเห็นภัยของกามกคุณทั้งห้าด้วยการไปปีกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาแล้วก็จะไม่มีอะไรมาคอยกระตุ้นราคาโทสะโมหะที่มีอยู่ในใจให้มันเกิดขึ้น<ม>เพื่อที่เราจะได้ใช้การเจริญสติ<ม>ทำจิตให้สงบระงับกามราคาระงะราคาโทสะโมหะไว้ชั่วคราวก่อนแล้ว พอเรามีความสามารถที่จะระ ง, งับได้อย่างต่อเนื่องขั้นต่อไปเราก็ใช้ปัญญาเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาเราก็จะใช้ปัญญาในการที่จะพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นพิษเป็นภัยอย่าไปยินดีอย่าไปเสดต้องไม่ชอบมันอย่าไปชอบมันความชอบในรูปเสียงกลิ่นรสนี่จะทาให้เราทุกข์ความไม่ชอบมันนี่จะทาให้เราไม่ทุกข์ ไม่สนใจไม่ไม่เอาละเห็นถ้าเราเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์นี่เราจะไม่กล้าแตะถ้าเขามีประกาศออกมาว่าสินค้าชนิด น, นี้มีสารปนเปื้นอนบริโภคแล้วจะเกิดโรคมะเร็งขึ้นมานี้มีเท่าไหร่โยนทิ้งหมดเลยไม่กล้าเก็บเอาไวก้กินอีกต่อไปต้องพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างต้องมองให้เห็นว่ารูปเสียงกลิน่นรสผลิภัณฑ์นี้มีสารปนเปื้อนที่จะมาสร้างความทุกข์ ให้กับใจสร้างราคะโทสะโมหะให้กับใจแล้วรับรองได้ว่าต่อไปนี้เราจะไม่อยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปใจของเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายเพื่อมาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปความทุกข์ที่ได้จากการเกิดก็จะหมดไปนี่คือธุเลที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้พวกเราชาวพุทธทำกัน ศึกษาเรื่องทางเรื่องทางธรรมะนี่แหละเรื่องราวที่ได้แสดงไว้เช่นเรื่องความนักน้อยสันโดษความไม่คุกคีกันการปีกวิเวกการเห็นโทษของการมคุณทั้ง5แล้วก็เห็นคุณของของการปฏิบัติของความเพียรในการเจริญสติในการนั่งสมาธิและในการเจริญปัญญาตามลําดับถ้าเราสามารถปฏิบัติ ทำเหล่านี้ได้รับรองได้ว่าความทุกข์มันจะหายไปหมดจากใจจะเหลืออยู่แต่ความสงบเหนือแต่ความสุขที่เรียกว่าสุขหนอสุขหน อ, หนอไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเรามีเวลาว่างมาทําธุระทางจิตใจคือคันตาธุระและวิปัสสนาธุระศึกษาและปฏิบัติสิ่งที่เราได้ศึกษา แล้วผลก็คือความสิ้นสุดของความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปงานแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาวิวาหาปุราปาริบปุเรนติสะกะลังเอวเมวะอิตทินางเปตานาังอุ ป, ปกั ป, ปติ ยิชิตังปะทีตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังตปะจันโทปนะอาระโสยธามานิโชติอาระโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขว n นัสตุ มาเตปวัตะวันตารโยสุขีทิคายุโกภาวะอภิวะธนาสีลิกษะนิจังวุฒาประจายโนจตารธรมมวัฏานติอายุวันโอสุขามพะรังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครต้องการถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะถามตอบกันถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาหรือส่งข้อความผ่านทางเพจเ c e b o o k หรือ u t u b e ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่นี่อ่ ทาง Facebook พราจารย์สุด ช, ชาติ340ท่าน YouTube พราศ ช, ชาติ l ล v e 213ท่าน YouTube Dr.V Channel 100ท่านวิทยุออนไลน์ Online, 7ท่าน Clubhouse 13ท่านหน้ากุติ99ท่านรวมทั้งหมด772ท่านขับพราจารย์ คำถามจากคุณเอกสุวรรณค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ในการนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธนั้นหากเราสลับเป็นการสวดอิติปิโสเป็นครั้งคราวจะมีผลต่อการนั่งสมาธิหรือไม่อย่างไรครับถ้าเราถ้าใจเรายังไม่สงบแล้วยังคิดมากอยู่เราก็สามารถใช้การสวดมนต์แทนก็ได้หรือใช้พุโทโธก็ได้หรือใช้การฟังธรรมก็ได้ แต่มันก็จะช่วยระงับความฟุ้งร่รงรานในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่สงบถ้าอยากจะให้มันสงบหลังจากนั้นก็ต้องดูลมหายใจต่อไปหรือพุทโธอย่างเดียวไปคำถามจากคุณพัชสมน์ค่ะช่วงนี้ใจวาวุ่นมากค่ะภาวนาไม่ได้เลยควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ีเลืองทำงานนังานมันทำให้เราวุ่นวายลองลางงานสักสิบห้าวันเดี เราไปอยู่ที่สงบไปอยู่ตามวัดจะเห็นความแตกต่างกันถ้าเรายังผูกพันกับงานผูก พ, พันกับรายได้อยู่เราก็จะต้องเจอกับความวุ่นวายใจยไม่มีวันสดจบสิ้นเราต้องตัดเราต้องหัดอยู่แบบมักน้อยสันโดษเราจะได้ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่ต้องหาเงินมากก็ไม่ต้องทำงานมากใจก็จะไม่วุ่นวายมากแล้วก็ใจก็จะมีโอกาสที่จะสงบได้ง่ายขึ้น ในความากน้อยสันโดวนี่เป็นเป็นบาดฐานของการปฏิบัติเลยผู้ที่ต้องการไปทำนี้ต้องรู้จักคําว่ามากน้อยสันโดษในปัจจัยสี่เป็นยังไงคําถามต่อไปจากคุณข้าฟ่างค่ะหากจิตเข้าถึงอัปนาสมาธิสิ่งที่รู้ว่าสงบนั้นคือจิตใช่ไหมคะใช่จิตก็คือผู้รู้ผู้รู้และผู้คิดก็หยุดทํางานจิตมีทั้งผู้รู้และผู้คิดพอผู้รู้พอผู้คิดหยุด หยุดคิดก็เหลือแต่ความสงบผู้รู้ก็จะรู้ว่าตอนนี้ไม่มีความคิดแล้วก็รู้สึกว่าสบายเย็นเพราะผู้คิดมักจะคิดแต่เรื่องร้อนคิดเรื่องไฟอย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้พอคิดแล้วใจก็ร้อนขึ้นมาวุ่นวายขึ้นมาพอหยุดคิดได้ความร้อนที่เกิดจากความคิดก็หายไปใจก็เย็นสบายสุขหนอขึ้นมาตอนนี้ยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเค เี๋ยวนี้คนก็สนใจกันมากอยู่แห่งวืนตำบลใดเดี๋ยวสัตรวนี้สมัยนี้ก็สามารถเข้าถึงธรรมะได้าเนี่ยมีการถ่ายทอดสดแล้วก็มีการเก็บไว้ที่เราสามารถตามดูตามฟังได้สมัยก่อนนี่จะหาธรรมะ่ต้องต้องเขียนหนังสือไปขอต้องเขียนจดหมายไปขอ อที่ก็มีแหล่งแจกหนังสือธรรมะแล้วขายธรรมะให้ตอนนี้อยากจะรู้อะไรนี่มีมีเครื่องมือถือมี g ูเกิลสามารถอยากจะรู้อะไรก็เชิญเข้ามาได้เดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปกดไหมไม่ต้องกดเลยพูดได้เลยเอ า, เอาหัวมันใกล้ๆปากนะผมฟังฟังธรรมะทุกวันครับ ฟังแล้วมันล้นครับมันก็แต่ก็ความอยากมันก็ยังมีแต่มันล้นผมว่ามันล้นใช่ครับย่นแบบไหนก็คือฟังแล้วมันไม่เข้าอ่ะมันไม่ไม่เข้าในใจครับเพราะใจเรามันไม่นิ่งไงใจเรายังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มันก็เลยรับธรรมะไม่ได้มันก็เลยเข้าแต่หูซ้ายออกหูขวาไปเพราะใจมันเต็มด้วยเรื่องอื่นยังต้องพยายามทําใจให้ว่างเวลาฟังอย่าอย่าให้มันคิด บังคับให้มันตั้งใจฟังที่เสียงไปก่อนเหมือนว่าผมฟังด้วยความอยากหรือต่อเน่องแต่ว่าผมเหมือนว่ามันมันจะขาดไม่ได้หรือยังไงอย่างเงี้ยก็คือฟังตลอดว่าถ้าหยุดไปพักหนึงเนี่นยเดี๋ยวเรามาฟังครัคือว่าเหมือนว่าไปเล่นแบบเล่นอย่างอางททางื่นแทนพักหนึ่งก็กงอยากจะกลับม า, ามได้ความอยากในธรรเหมือนว่ า, <ใน S 2> าเราหลอกหลอกใจเราเองหรือเปล่าไม่หลอกอความอยากในธรรมก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นธรรมเป็นคุณเป็นประโยชน์ ฟังธรรมยิ่งอยากฟังธรรมเท่าไหร่ก็จะได้ฟังธรรมมากขึ้นเหมือนว่ามันโลภอ่ะมันมันโลภเนาะอ๋อไม่มีอะไรโลภในโลภในธรรมะไม่เป็นกิเลสถือว่าเป็นกิเลสถ้าโลภไปเที่ยวเนี่ยโลภไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยเป็นกิเลสมันไม่ทําใจให้สงบแต่โลภในธรรมะแล้วมันจะทําให้ใจสงบเรียกว่าความยินดีในธรรมแต่ว่ามืนมันมีอะไรกั้นผมมัน แต่าอยากจากแบบสติยังมีสติมันมีน้อยไปใช่ไม่สามารถฟังได้อย่างต่อเนื่องฟังได้ปุ๊บหนึ่งไปแล้วไปคิดเรื่องอื่นแล้วนั่นก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นฝึกสติให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวตื่นขึ้นมาก็คอยดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กำลังนอนกําลังยืนกําลังเดินกําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันให้มันคอยเฝ้าดูการกระทําของร่างกายอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้เรื่องนี้ หรือจะใช่วิธีหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยอย่าให้มันคิดให้มันคิดแต่พุทโธพุโทโธไปผมมีเขาเรียกว่าอะไรแผ่ที่จะจะเดินทางนี้อยู่ครับแต่ว่ามันเหมือนว่ามันติดหลายเรื่องที่ผมทําไว้อะก็แก้ได้นก็เรื่องไหนที่มันติดก็ค่อยๆแก้ไปเป็นเรื่องแบบไวแหรงมากก็ค่อยๆแก้ไปได้แต่และเรื่องมันมีทางหอกทั้งนนั้างล่างก็ต้องใจเยน็เยนๆถ้ายังมีอุปสรรคอยู่ก็ต้องก็กจัดอุปสรรคเหล่านั้นไป แล้วก็ไปได้เแล้วผมมีห่วงด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าทางปรญญาผม่เขาเป็นคนดูแลแต่มันคือห่วงแบบในใจเล็กๆใช่มันแบบว่าเราไม่สมบูรณ์ครอบครัวครอบครัวแยก แ, ท, แยกทางอย่างเนี้ยก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาของเราไม่มีอะไรสมบูรณ์่ะได้ละลายก็ไม่พอแต่ก็ถ้าเรามาเนี้ยเราคิดว่าพี่สาวครัวเราจะ จะสูดไปอะไรก็มาว่าถ้าเราไม่ไปไม่ถึงไม่สุดอะไรยเงี้ยแล้ววางอยู่ก็ศูนย์อยู่ดีอะอยู่อยู่มันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีไปยังมีโอกาสจะได้มากถึงแม้จะไม่ไม่ได้เต็มร้อยก็ยังยังดีกว่าไม่ไปเลยถ้าอยู่นะศูนย์ถ้าไปนะไม่ศูงเป็นเป็นแต่ว่าจะได้มากได้น้อยเท่นั้นเองพวกที่ไม่ไปเนี่ยศูนย์ทั้งนั้นใช่ไหม บอกพี่นะศูนย์ผมไปผมไม่สูนยนะแล้วก็คือว่ามีโอเคนะก็จะเยอะเอาไปเธอทางนี้ไปไม่ไม่มีวันศูนย์เพียงแต่ว่าจะจ ะ, จะได้มากได้น้อยเั่านี้แล้วก็ติดตัวไปได้ตายไปก็าไปได้ทางนี้ของที่เราทำอยู่นี้มันไปกับใจเราผมว่าเพราะแลผมว่าเป็นเป็นไงตายคืนด้วย ประสบอุบัิเหตนแป้ว่าตายไปชุมนี้แล้วก็วนวันบ้ากลับคืนมากข้ามาไม่เป็นไรจะต้ อ, อดีจะได้รู้ว่มามัูกับโอเคว่าลองลอ ง, ลองไปแก้ดูแล้วกันนะโอเคอมีคำถามอะไรไหมเชิญคำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะจากคุณวชิรพงศ์ การมีสติทําให้เราคิดเยอะขออภัยค่ะการมีสติทําให้คิดไม่เยอะใช่ไหมครับใช่หยุดคิดเลยถ้ามีสติดีๆสามารถสั่งให้มันหยุดคิดได้คําถามจากคุณเอกค่ะพระอาจารย์ครับดูลมหายใจขนาดไหนถึงจะสงบได้ครับก็ดูจนกว่ามันจะสงบมาดูไปเรื่อ ย, อยแต่การดูลมนี่ให้ดูตอนที่เรานั่งนะ ตอนอื่นยอย่าไปดูลมเพราะะดูยากตอนอนื่นก็ดูร่างกายแทนดูถ้ามันเดินก็ดูการเดินถ้ามันกินก็ดูวลองกินอะไรแล้วพอเวลามีเวลานั่งก็ค่อยมาดูลงอีทีหนึ่งถามต่อเดี๋ยวเอาเอาไม้ไปหน่อยอพูดได้เลยพระอาจารย์คะอาจารย์จะสอบถามว่าถ้าหนูจะไปบวชเงนี้ยค่ะแล้วมีภาระทางบ้านก็คือต้องดูแม่ดู น้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็หนูหาคนมาดูแลแทนได้ไหมล่ะถ้ามีคนมาดูแลแทนก็ไม่เป็นไรเพราะการไปบวชก็ไม่ได้ว่าจะไปตลอดชีวิตไปถึงระยะหนึ่งเราก็สามารถที่จะถ้ามีปัญหามีอะไรเราก็อาจจะแบ่งเวลามาดูแลได้ไม่ได้ราบตัดขาดกันตายมัไม่ได้ตายจากกันไปคเพียงแต่ช่วงแรกๆ ก, ก็อาจจะต้องขอเวลา ให้ไปสร้างกำลังใจของเราก่อนให้เข้มแข็งก่อนแล้วต่อไปพอใจเราเข้มแข็งแล้วถ้ามีภาระที่คนอื่นเขาทําไม่ได้เราก็มาช่วยทํากันไปก่อนเป็นพักๆได้พอพอว่างเราก็กลับไปทําต่อได้ค่ะสาธุค่ ะ, ะนะแต่ถ้ายังไปไม่ได้ก็ต้องอยู่ไปก่อนก็ปฏิบัติไปแล้วก็ดูแลไปก่อนแต่ถ้าสามารถไปได้มีคนอื่นมาทําหน้าที่แทนเราได้แล้วก็ฝากเขาไว้ก่อน ล้วเราก็ไปปฏิบัติเพื่อสร้างกำลังใจให้กับเราแล้วต่อไปถ้าเกิดไม่มีใครดูแลเราก็กลับมาดูลาต่อมามีคำถามจากคุณพุทธโธเจ้าคา่ะกับเดนถามพระอาจารย์ครับภาวนาพุโทโธเราเกิดความกลัวผีขึ้นมาจะแก้ไขยอย่างไรดีครับก็ไม่อยู่กับพุทธโธมันก็กลัวเลยถ้าอยู่กับพุโทโธความกลัวมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้ามันกลัวก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับความกลัวถ้าหยุดพุดโทโธความกลัวก็ยิ่งเกิดขึ้นมาใหญ่แล้วไม่พุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องพุโทโธปรั้มแล้วก็วัดไปคิดถึงผีมันก็กลัวขึ้นมาคําถามจากคุณเหล็กสมรักษณ์ค่ะตอนนี้ลูกบทชีเข้าเดือนที่สามแล้วค่ะแต่ลูกถือศีลสองยบเจข้อ หากวันไหนที่ผิดศีลจะไปแก้กับใครดีเจ้าค้ากราบสาธุค่ะแก้กับตัวเราเองนั่ยแหละไม่แก้กับใครกร็บอกนี่เธอผิดแล้วนะลงโทษตัวเองเลยวันนี้ไม่ให้กินขนมหนึ่งวันหรือไม่ให้กินข้าวหนึ่งวันอดข้าวอะไรนี้ไปไเพราะว่ามันไม่มีใครมามามเสีลมันแก้ไม่ได้การไปแสดงอาบัติเพียงแต่ไปสารภาพไปประจานตัวเองว่ากูผิดอีกแล้วเว้ยขอโทษนะ ถ้ามันยังไม่พยายามทําอีกงั้นก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการไปประจานบอกคนหน่อยเขาหรือว่าเราเราผิดเราลักไก่ก็ถ้าไปไปสารภาพมันจะได้ไม่ทําซ้ําๆถ้าไปไม่สารภาพมันจุดไว้ะคราวที่แล้วกูทําได้เดี๋ยวคราวหน้าก็ทําใหม่ได้ก็เลยต้องมีการการไปสารภาพเป็นการ เป็นการเปิดใจให้เขาพูดเขาได้รับรู้เขาจะได้เตืนนะ่าอย่าทำอีกนะมีคําถามจากทาง u t u b e ค่ะกราบนรศ ก, กา ร, กรอาจารย์ครับคนที่ไปสุขติมีเท่ากับเขาโคและคนที่ไปทุกขติเท่ากับขนโครจริงหรือไม่ครับผ ล, รผลโคขนโคเจ้าค่ะขนโคกัเขาโคเหรใช่แล้วค่ะคนที่ไปสุขติมันเขาโคน้อย โคมีแค่สองเขาตัวหนึ่งแต่คนนี่มันมีเป็นร้อยคนที่ไปทุกขติคนไปนรกไปอาบายนี่มีเป็นร้อยเพราะว่าคนที่ทำบาปมันเยอะกว่าคนไม่ทำบาปคนทบาบุญไม่รัดไม่ทำบาปไม่มีน้อยกว่าคนที่ทำบาปไม่ทำบุญคำถามจาก u t u b e เช่นกันค่ะสมัยนี้โลกดิจิตอลธรรมะแท้หาฟังได้ทุกเวลา แต่ใจก็แวบไปหากิเลสง่ายเหมือนกันจากมือถือตัวเดียวกันขอคนนาาําแนะนำพระอาจารย์เมตตาแนะนําการใช้สื่ออย่างมีสิทประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเจ้าค่ะก็อมองสื่อเหมือนกับมีดมีดถ้าเราใช้ไม่ถูกมันก็เอามาบาดมือเราได้มาทํร้ายเราได้ถ้าเราใช้ถูกเรามันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ใ น, นเวลาเราใช้มีดเราก็ต้องระวัง ใ, ใช่ไหมมาใช้เศษก็คิดว่ามันเป็นมีดนะ มันเป็นดาบสองคมฟันคนอื่นก็ได้ฟันตัวเราเองก็ได้ยังต้องระมัดระวังว่าเราใช้เป็นอาทิตย์ทำไหนถ้าเราไปทางโซเชียลเราก็ต้องหยุดปิดเครื่องถ้าเราไปทางธรรมก็ไปอ่านหนังสือธรรมะไปฟังธรรมะอะไรอย่างนี้ก็ทาได้แต่ควรจะมีกาหนดเวลาวันนึงไม่ควรกันชั่วโมงหนึ่งอะไรทำนงนี้แต่แล้วก็ปิดไ ม, ไม่ใช้มันอีก ต้องใจเข้มแข็งถ้าใจออกในไอเดียวมันก็หลอกไปอ่นานอนิดหน่อยนะ่ยไม่เป็นไรเนี่ยอ ย, อยาจะรู้ว่าใครกําลังพูดอะไรกำลังทําอะไรอยู่คำถามต่อไปจากคุณสุรเชษค่ะขออนุญาตสอบถามการเดินจงกรมและการปฏิบัตินั่งสมาธิที่บ้านเจ้าค่ะคือการเดินจงกรมและการนั่งสมาธินี้โดยหลักก็คือการใช้สติเป็นการเจริญสติ คืเดินให้มีสติอยู่กับการเดินอย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการก้าวเท้าของเราก็ได้ยันเดินไปกก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปไม่ให้ไปคิดถึงอดีตไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตไม่ให้ไปคิดถึงคนทั้งคนที่เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งก็เหมือนกันเวลานั่งเราก็ดูลมแทนดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูก อย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเดียวกันถ้าเราควบคุมการคิดได้ไม่ให้มันคิดได้ด้วยสติใจเราก็จะค่อยๆสงบไปตามลาดับตามกำลังของสติคาถามต่อไปค่ะการมาบวชอยู่วัดแล้วเวลาได้ยินเสียงเพลงใจว้าเหว๋วงวาง้วางวังเวงควรทำอย่างไรดีคะก็ปิดหูเลยเอาแลมาหูอุดหูเลยแล้วใช้พุทโธพุทโธปิดใจก็ได้ ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่าไปฟังอย่าไม่สนใจกับเสียงเพลงเดี๋ยวเสียงเพลงมันก็เข้ามาในใจเราไม่ได้คุณนัทพลค่ะเวลาบริกรรมพุโทโธแล้วเราจะตะล่อมจิตให้คำบริกรรมนั้นค่อยๆห ย, ยุดไปให้นิ่งตามที่เราจำแนวทางในการเข้าสมาธิได้ในครั้งที่ผ่านมาอันนี้เราคิดเองไหมเจ้าคะ คือเราใช้พุโทโธเราไม่ต้องไปตั้งรอบอะไรให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วเวลามันจะสงบมันก็สงบของมันเองจากคุณสุรเชษค่ะการนั่งสมาธิต้องนั่งต่อหน้าพระพุทธรูปหรือรูปพ่อแม่ครูอาจารย์หรือไม่ครับไม่ต้องหรอกถ้ามีก็ได้ถ้าอยากถ้ามีแล้วอยากจะนั่งก็ได้ไม่มีก็นั่งที่ไหนก็ได้ ท, ที่สําคัญไม่ได้อยู่ที่ พรพุทธรูปเลิกครูบาอาจารย์อยู่ที่ว่าที่มันสงบหรือไม่เนี่ยคถามจากทาง youtube ค่ะถ้าไม่มีอะไรในใจก็จิตว่างอันเดียวกันไหมครับว่างอย่างไรจึงจึงถูกทางกราขอบคุณครับคือว่ามันก็มีหลายระดับเนะี่ยว่างน้อยว่างมากเนี่ยเราต้องการว่างแบบเต็มที่ว่างเต็มร้อยเป็นนิ่งสงบเลยไม่มีความคิดเลยอันนั้นถึงจะได้ผลที่ดีที่สุดได้ความสุขมากที่สุด ตอนนี้คำถามหมดเจ้าค่ ะ, ะหมดเจ้าพอเวลาพอดีอคิดว่าพอสมควรใ่เวลาขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธมาธุ